จเจริญพนทุกๆท่านนี่หลวงพ่อมาอเมริกาปีนี้เป็นปีที่สองนะแล้วตั้งใจว่าจะไม่มาละพวกเราหลวงพ่อมาดูปีแรกมาสอนปีนี้มาประเมินผลพวกเราสอบผ่านส่วนใหญ่ถ้าสอบผ่านแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงทางด้านนี้ละ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 ที่แรกก็เผยแพร่ทางสื่อต่างๆใส Internet, อสินเทอร์เน็ตใสหนังสือซีดีพวกเราได้อ่านได้ฟังลงมือปฏิบัติให้ปีกลายนี่ก็มาดูมาสอนหลักการเพิ่มเติมบางทีอ่านหรือฟังไม่ได้เจอกันบางคนก็ทำเป็นบางคนก็ตีความคลาดเคลื่อนก็มีปีกลายก็มาปรับ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 ถะลงมือปฏิบัติก็เพ่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆเนะขายมนะหยุดถ่ายได้ลนะฟังธรรมะให้ได้ประโยชน์ไว้เสียเวลาถ่ายรูปไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะสำคัญที่สุดทำเราพ้นทุกได้ดูรูปหลวงพ่อก็เท่านั้นแหละดูธาตุดูขันดูสีตามองเห็น ไม่มีประโยชน์อะไรเอาธรรมะให้ได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงยากนักยากหนาเลยที่จะเข้ามาสู่โลกมนุษย์ได้นานครั้งนะถึงจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่มันก็เป็นธรรมะของฤาษีชีไฟไปทําสมาธิสงบสงบไปวันนึงวันหนึ่งพ้นจากความสงบพ้นจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านใหม่นะ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 ร่างกายก็แข็งแข็งใจก็ไปรวบเข้ามาให้ซืมๆทื่อท่ทแข็งแข็งนีง่คิดว่าจะปฏิบัติอันนั้นมันทำความลำบากกายทำความลำบากใจให้เกิดขึ้นล้วำบากกายลำบากใจก็ไม่ใช่ทางสายกลามตึงเกินไปครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปตูดถามพระพุทธเจ้าค่ข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ข้ามโอค่ะได้อย่างไรโอค่าคือห่วงน้าห่วงกิเลส ก็คือถามว่าพราะองค์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าดูก่อนเทวดาเราตถาคตนะข้ามโอกะข้ามห่วงน้ําห่วงกิเลสได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่พักเนี่ยเข้าใจง่ายใช่ไหมขี้เกียจชี้คล้านปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ไม่เพียรเนี่ยแปลกเราเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียรให้มากเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ไปตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักกับไม่เพียร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 สบายใจไปเลยอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะปลดเพลิงความทุกข์ของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานะก็ไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินไปหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งกลุ้มใจก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปคุยกับเพื่อนไปกินเหล้าเมายาอะไรนะนะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมา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 เป็นหลักสำคัญในที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบนักปราชญ์ทั้งหลายศาสด า, า, าทั้งหลายเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างศาสน า, าอื่นเขาก็สอนมีพระเจ้านะต้องเชื่อก่อนว่ามีพระเจ้าถ้าไม่เชื่ อ, อว่ามีพระเจ้าเนี่ยสอนต่อไปไม่ถูกเลยสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้านะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีท่านไม่พูดถึงนะ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 คำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราจะต้องมาเรียนจนวระทั่งวันนึงมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ที่เราภาวนาจนเราเห็นขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้นะจริงๆเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราก็เลยเพลิดเพลินพอใจ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 ก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นก็อยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจจะเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจนี่แหละภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสำเภาพอผ่านมีตัณหาคือมีความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดการสร้างพบคือการดิ้นรนทางใจ มีพบขึ้นมาไรนะมันก็มีชาติมีความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกระใจมีตัวกูของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมานะทัานทีที่จิตเนี่ยไปหยิบไปช่วยเอาขันห้ามาเป็นตัวกูของกูนะก็เท่ากับจิตไปหยิบช่วยเอาตัวทุกข์เข้ามาเกอดเอาไว้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราพาวนาไปอย่างตรองแท้เราจะรู้เหมือนเหมือนงูเหา่าแท้แท้เลย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 มันมีความสุขได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ตามเข้ามาบทขยี้อีกนะมีความสุขแป๊บเดียวความทุกข์ก็เข้ามาจัดการทุกจีไปความสุขเนอยู่ชั่วคราวนะแปบ๊บเดียวเหมือนฝันไปเท่านั้นเองแล้วความทุกข์มันก็เข้ามาแทนนี่นเราพอนาไปเรื่อยๆๆนะถึงวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแล้จิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะ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 เพราะอะไรเราปัญญาเรายัางไม่พอเรายัางไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แหละนะเบื้องต้นต้องหาทางนะต้องรู้วิธีที่จะรักษาศีลศีลเป็นบาดเป็นฐานทําให้เราเกิดสมาธิที่ดีแล้วเรื่องกลางก็ต้องรู้วิธีฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีหลายแบบนะไม่ใช่นั่งสมาธิหลับหูหลับตาไปเรื่อยแล้วบอกว่าทําสมาธิแล้วจะเกิดปัญญา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 เบื้อต้นจะดูกายก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้แต่สุดท้ายนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตจะไม่มีสายไหนเลยสายโน้นสาย น, น, ายนี้เป็นเรื่องหลอกหลอกนะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังนะจะอยู่ในเรื่องของคำว่าไตรสิกขานี่เองวิธีที่จะทําให้เกิดศีลที่ถูกต้องวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะเจริญปัญญาคือการเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้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 ถึงเวลาเขาไปท่องหน้าพระนะเม่ยังปันเตวิสูงวิสูงลักขณฑายะนึกว่ามีศีลไอ้นั่นการไปขอศีลกับพระมันแค่เป็นการปฏิญาณตัวเป็นการหาพยานมายืนยันว่าต่อไป น, นี้เราจะรักษาศีล น, นะรักษาศีล น, นะตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้นึกเอานะว่ะตื่นนอนขึ้นมาก็นึกเลยวันนี้เราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจว่าเวลาที่เหลืออยู่นี่เราเพ่อจะรักษาศีลห้า ก่นจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจว่าเรารักษาศีลห้านะก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกทําไมต้องตั้งใจเวาลายหลา ย, หลายครั้งสติพวกเรายังไม่สมบูรณ์คอยเตือนตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราจะต้องรักษาศีล น, นะเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจในการที่ต้องไปบอกกับพระไปขอกับพระนะไม่ให้พระเป็นพยานเท่านั้นแหละเวลาเราจะทําผิดศีลเราจะได้อายพระบ้างถ้าเราไม่มีพระจะไปขอเราไม่ต้องไปขอกับพระหรอกนะ หลวงพเคยเจอนะบังวัดเขาบอกเลยว่าโยมมาขอศีลมากเลยพระก็แจกไปคนละห้าข้อห้าข้อพระเลยศีลหมดเลยนะอย่างนี้แย่เลยแจกไปหมด <c oughs> เรารักษาเอาเองแต่การรักษาศีลเนี่ยลําบากถ้าเราไม่มีสติแป๊บเดียวมันก็ขาดศีลแล้วศีลขาดโดยเฉพาะข้อสี่ขาดง่ายพูดเพ้อเจ้อไปแล้วนะ พูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดเนี่ยศีลดังพลอยลนะพูดคําหยาบพูดสอเสียดพูดเท็จในนะี้ผิดง่ายที่สุดเลยบางทีพูด ก, นกนันแหนกแหน่ในนี้ศีนก็ดังพลอยละการรักษาศีลที่ปากที่มือที่เท้าเนี่ยรักษายากถ้าเรามีสติรักษาจิตนะเราจะรักษาศีนง่ายมีสติรักษาจิตก็คือเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะเราคอยรู้ทัน รู้จักความโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างในห้องนี้ใครเคยโกรธยกมือให้ดูซิ โ, โกรธทุกคนเลยนะยกเวนคนที่นั่งหลับมี <c oughs> นั่งเดือบินนั่งรถมาไกลว่าจะถึงนี้หลับไปหลวพ่อมาตั้งใจฟังเทศหลับไปซะแล้วนะฟังไม่รู้เรื่องความโกรธพวกเราก็รู้จักโลภรู้จักไหมโลภฟุ้งซ่านรู้จักไหมฟุ้งซ่านขดหูรู้จักไหม ปดหูเศร้าเศ้าซึมซึมมองมองนะดูอะไรไม่รู้เรื่องในกิเลสทุกอย่างเรารู้จักนะยิ่งคนไทยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกในใจเนะี่ยทั้ง200อกว่าคํามีทั้ง200กว่าคำนะคาว่ า, นะวาเซงิง mm hmm. เซิงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนกันเนี่ยพวกกิเลสทั้งนั้นเลยเซิงก็เป็นกิเลสตระกูลโทสะนะเบื่อก็โทสะ นะอิจฉาก็โทสะนะตระหนี่ก็โทสะนะนะเนี่ยกิเลสมีเยอะแยะเลยนะน า, นานาชนิดเลยอิจฉาพยาบาทพยาบาทเนี่ยก็โทสะนะโลกยึดถือในความคิดความเห็นเจ้าทิฏฐินส่วนของโลภะอยากนู่นอยากนี่ส่วนของโลภะฟนะุ้งซนะ่งานส่วนของโมหะกิเลสมันมีสมตัวหลักๆนะแต่และตัวเนี่ยมีลูกมีหลานเยอะแยะเลย แต่ว่าพวกเรารู้จักทุกตัวแล้วนะรู้จักเซิงไหมรู้จักใช่ไหมเกลียดรู้จักไหมเกลียดกับกลัวเหมือนกันไหมเกลียดมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมกลัวมันก็อย่างหนึ่งขยะขแ ย, ยงเนี่ย ใ, ใจไม่มีเยอะนะส่วนใจตะกูลโทสะนี่แหละเยอะมากเลยคนไทยเราเก่งนะเราแยกแยะสับพวกนี้ออกมาได้เยอะมากเลยมันแสดงความประณีต ในการเรียนรู้จิตของตนเองของบรรพบุรุษนะประณีตมากเลยเรามีศัพท์พวกนี้ตั้งหลายร้อยคำนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วกิเลสทุกๆชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราลาเลยมันเวลาที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะไม่ละเลยนะโกรธขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโกรธอยู่โลภขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโลภอยู่นะฟุ้งซ่านให้รู้ว่ากาลังฟุ้งซ่านลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัย ให้หัดรู้บ่อยๆถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปล้างกิเลสเลยหเอาว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันฝึกให้มากนะแล้วศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายมากเลย ศีนเราทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตอย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไมเราก็ไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ไปช่วงชิงทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะไปพูดว่าดว่าร้ายให้เขาก็ได้หรือไปแกล้งยกย่องให้มันเสียคนไปเลยก็ได้เนี่ยมันทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยหรือเวลามีความโกรธมีเศร้าหมองขึ้นมานะเราไปกินเหล้าเมาอย่างนะ มีโทสะตัวเดียวนะทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อทํานองเดียวกันถ้ามีโลภะมีราคะตัวเดียวก็ทําผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเหมือนกันนะมีโมหะก็ทําผิดศีลได้ทั้งห้าข้ออย่างมีโลภะเนี่ยลบเพื่อนมาใช่ไหมแล้วไปทำร้ายคนอื่นก็ได้เพื่อจะช่วงชิงผลประโยชน์นะมนุษย์นี่ร้ายนะสัตว์เนี่ยทำร้ายกันต่อเมื่อแย่งตัวเมียกับแย่งอาหารมนุษย์เนี่ยทำร้ายกันตลอดเวลาเลยนะโหดร้ายมากเลยยิ่งปว่าสัตว์ธรรมดาสิง ความเห็นต่างกันก็ทําร้ายกันนะความเห็นอุดมการณ์ต่างกันก็ทําร้ายกันนี่นนคือความยึดมั่นในความคิดความเห็นเรียกว่าทิฏฐิก็เป็นตะกูลโลภะนะมีความเห็นต่างกันก็ทําร้ายกันนะหรือโลบสมบัติของคนอื่นก็ไปช่วงชิงเขาหรือไปผิดลูกผิดเมียเขาหรือไปพูดจาล่อหลวงเขานะหรือจิตใจมีราคาขึ้นมาก็ดีก็ะด้าลืมเนื้อลืมตัวนะพิกินเหล้าเมายาคนไทยเนี่ยชอบมากเลย มีโทสะหรือเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าดีใจมีราคะขึ้นมาก็ไปกินเหล้านะชอบชอบจริงๆเลยแลยฉลองตลอดนั้นะนะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะผิดศีลห้าได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเรามีสตินะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันกิเลสม่จะกระเด็นออกไปจากใจของเราอัตโนมัตินะไม่ผิดศีลหรอกเนี่เป็นวิธีที่เราจะรักษาศีลที่ง่ายที่สุดเลยไม่ลําบากอีกต่อไปถามว่าเราจะรักษาไปทําไม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 ทำสมาธิแบบสงบไปเรื่อยๆนั่งสมาธิกี่สิบปีก็ไม่บรรลุมักผลหรอกเนี่ยหลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคำเลยเพราะอะไรหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบนับมาถึงวันนี้นะาปีหรือห้ปีแล้วนะนั่งสมาธิแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆนั่งอยู่อย่างนั้นนะปีนะทความสงบเฉยเดินปัญญาไม่เป็นหรอกแล้วไม่รู้ว่าสมาธิมีสองชนิด้วย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 นับเราเหนื่อยคิดมากผลวงพให้นับหนึ่งถึงร้อยไปเลย น, ะนี่มีการแอพพลายด้วยนะเอาให้เหมาะที่เราจะทำได้จริงๆหายใจก็นับไปเรื่อยได้ถึงร้อยแล้วก็มานับหนึ่งใหม่หายใจไปหายใจมานะมันเป็นเด็กอะ่ะมันไม่มีมันยาไม่ได้มีความโลภครูบาอาจารย์บอกให้หายใจไปบริกรรมไปมีสตินั่นแหละ ก็ทําไปเรื่อยๆทำดุยดุยไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนั่งอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะหลวงพ่อจำจำนวนวันได้ไม่ชัดแล้วเพราะว่ามันต้ห้าสิบกว่าปีมาแล้วนั่งอยู่ไม่นานหรอกนะลมหายใจนี่ค่อยประณีตละเอียดละเอียดเข้าไปนะจนเราเหมือนกับว่ามันตื้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกเราหายใจนะลมไหลลงไปถึงท้องนะพอจิตค่อยๆสงบเนี่ยลมมันตื้นตื้นมาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็หยุดลมหายใจหยุดเนี่ยนะ ลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาเพอเป็นดวงสว่างเขึ้นมาเราไปต่อไม่เป็นอีกเขาไปดูที่ดวงนี้นะดวงนี้มันเคลื่อนออกไปคราวนี้ยอยากไปเล่นอะไรนะจิตออกข้างนอกไปเลยนะอยากไปเที่ยวสวรรค์เที่ยว อ, อะไรนะจิตไหลๆห ล, หลออกไปมันไหลไปได้นะแต่ว่าจะไปเห็นโน้นเห็นนี่เห็นเทวดาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือว่าจิตมันหลอนเอาจิตมันหลอกเอาดูไม่ออกหรอกว่ามันหลอกหรือเปล่า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 เเขาบอกบุญไครก็บุญมันนะของเขาเขาให้เราไม่ได้ะนะนเป็นมนุษย์ยังทําทานได้นะเป็นเทพไม่ไไรูนะ้จะทำยังไงะก็เอามาส่งให้เราหลังจากพลวก็สลายเลยเราไม่มีบุญของเราตัวนีนะ้แล้วถ้าไปเจอเทวดาไม่กลัวแต่ถ้าเจอผีคงจะกลัวชิดอย่างเนี้ยกลัวผีนะหลวงพ่อพวกเราคนไหนกลัวผีบ้างยกมาสิพวกที่กลัวผีคนไหนเจอผีบ้างมีคนเดียว <laughs> สองคน เลยไม่รู้ด้วยว่าผีจริงหรือผีปลอมผีอาจจะผีปรุงขึ้นมาเองก็ได้คนที่กลัวผีนะไม่ค่อยเจอผีหรอกแล้วเวลาที่เจอผีเนี่ยจะไม่กลัวผีนะออมีวิธีนะอยากเจอไหมไม่อยากกลัวบางคนกลัวแต่อยากเจอนะพอพูดเรื่องผีแล้วสดชื่นหรอพูดธรรมารวนๆแล้วก็ชักง่ว ง, ง, วง คนไม่คนที่จะไปเห็นผีเนี่ยนะจิตมีสมาธิขณะที่มีสมาธิแล้วไปเห็นเนี่ยจะไม่กลัวเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกที่กลัวเนี่ยกลัวตอนที่ไม่เห็นตอนที่เห็นไม่กลัวจำไว้นะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ตอนเด็กๆหลวงพ่อกลัวกลัวจะเห็นเห็นไหมยังไม่ทันเห็นกลัวจะเห็นเลยกลัวเพราะกลัวว่าจิตจะออกไปข้างนอกแล้วไปเห็นผีนะกลัวไม่กล้าออก พอจิตจะเคลิ้มจะไหลออกเนี่ยรีบมีสติรู้ทันจิต ท, ที่จะเคลื่อนเลยพอรู้ทันจิต ท, ที่จะเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกนะไม่เคลื่อนออกไปจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นลาดับลาดับไปนะทีร่างกายก็หายไปอะไรไปโรคหายไปเหลือตัวรู้เด่นดวงอยู่แต่ว่าทำต่อไม่เป็นละหยุดอยู่แค่นั้นเองผ่านไปยี่สิบสอปีที่ฝึกทาความสงบขึ้นมา วันนี้ฟุ้งซ่านก็ไปทําใหม่สงบเพิ่มมาอีกวันนึงก็ฟุ้งอีกละก็ทําอีกนะเพราะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านไปนะมีแต่สงบกับฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยในการทําสมาธิเพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นนะเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นนะหรือเอาไว้เที่ยวเล่นข้างนอกเอาไว้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆไปงั้นไม่มีสาระแก่นสารนะเพื่อการคลนทุกเลยแต่ก็มีข้อดีที่จิตได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรง งพระพุทธเจ้าถึงไม่ปฏิเสธสมธถกรรมฐานถ้าทำได้ก็ทำทำไปเพื่อเพื่อให้จิตได้พักผ่อนนะแต่ว่าสมาธิอีกชนิดหนึ่งต่างหากที่สำคัญมากนะสมาธิอย่างนี้อาภัพมากเลยนะเมื่อก่อนเนียแทบไม่มีคนรู้จักเลยนะแทบไม่มีคนรู้จักเลยอย่างหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่10คนนั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันนะเพราะข้าวัดบางองค์จิตไวนะหันกวับเลย อุทานเลยว่าไปรวมตัวกันมาได้มากขนาดนี้สิคนนี้ถ้าว่ามากมหาศาลแล้วนะที่ว่ารู้สึกตัวเป็นนะนะจิตตั้งมั่นรู้เนือ้อรู้ตัวเนี่ยเมืนะ่อแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จิตตั้งมั่นรู้เนือ้อรู้ตัวมีแต่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิม้มเคลิ้มไปเรื่อยนะเจอทั้งเกิดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาต่อต้านนะรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วเคลิ้มไม่ถูกต้องก็เลยไม่นั่งเลยก็มีนะปฏิเสธการทําสมาธิไปเลยก็มีนะสุดตกไปอีกข้างหนึ่งเจริญปัญญารวดไปเลย ย่งบางทีไปตั้งสำนักกรรมฐานนะสำนักวิปัสสนากรรมฐา น, นะ น, าฐานพอรับศี่ห้าเสร็จแล้วก็ให้กำหนดโน้นกำหนดนี้ไปเรื่อยกำหนดรูปกำหนดนามไปเรืนะ่อยยังไม่ได้ฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นทำไม่ได้จริงทำวิปัสสนาไม่ได้จริงนะเป็นแต่ชื่อเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่มีหรอกเมื่อ30ปีก่อนนะประเวณไปทั่วเลยไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะพบเลยว่าไม่ค่อยมีใครที่รู้สึกตัว หายากที่สุดที่คนจะรู้สึกตัวขึ้นมามีแต่คนหลงทํากรรมฐานก็หลงทํากรรมฐานนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความหลงมีแต่คําว่าหลงทั้งนั้นเลยนะไม่มีคนรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวฝึกมาได้รู้สึกหันไปทางไหนมันมีแต่คนหลงหน้าในโลกนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีครูบาอาจารย์บางองค์รู้สึกตัวเป็นแต่ในวัดท่านบางทีก็ไม่มีสักคนเลยที่รู้สึกตัวได้อย่างท่านนะหายากที่สุดเลย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 ไม่ถึงขนาดที่ต้องเข้าฌานให้ได้ทุกคนหรอกพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะเบื้องตอน้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุดโทโธเราก็ใช้พุโทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องฟองยุบเราก็ดูท้องฟองยุบถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมกรรมฐานอะไรก็ได้นะทขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง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 สเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายบังคับไม่ได้นี่สอนให้ดูตัวนี้เลยนี่คือการดูจิตดูใจให้เกิดปัญญานะเพราะฉะั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้ได้ตามลาดับนะคอยรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันรู้ทันนะเราจะได้ศีลล้วเวลาเราต้องการความสงบนะเราก็รู้ทันใจที่ฟุง้งนซะ่านใจก็จะสงบใจก็จะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว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 เนี่ยตื่นนอนมาหายใจท่าไหนก็ไม่รู้นะอย่าว่าแต่จะหายใจออกหายใจเข้าเลยนอนอยู่ท่าไหนยังไม่รู้เลยตอนตื่นใช่ไหมบิดไฟบิดมาไม่รู้เลยลืมตัวเองตลอดเลยน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้ต้องฝึกต้องค่อยๆฝึกค่อยฝึกสติไปเรื่อยนะจนหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวเราลืมเนื้อิืมตัวทั้งวันเลยนะ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 จิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบอันนั้นสมถกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยดุกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้นะให้รู้ว่ามันมีไม่เข <im> ้าไปแทรกแซงดุกราภิกษ <cielo> ุทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดุกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ ดุกรภิกขุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดุกรภิกขุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหูนี่คือจิตมันเป็นยังไงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นเนะนี่ยหลักของการเดินปัญญา น, ะราานรระรู้ตามความเป็นจริงเพราะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยพพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้เลยว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย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 ไม่ทันจะรู้สึกเลยว่ามันทุกข์นะเมื่ออีกขยับอีกละไปแปมาปมาขยับไปขยับมามากๆก็ๆไปนอนดีกว่านอนไปก็เมื่อยอีกก็พลิกใครนอนแล้วไม่พลิกเลยก็พวกเป็นอมตภาพาเนี่ยคลิกไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาพลิกให้เขาไม่พลิกให้เป็นแผลกดทับตายซะอีกแม้มันทุกข์นะร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ในทุกทุกอิริยบทร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อปิดบังความทุกข์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 อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวันที่ท่านผ่องใสสุดขีด น, ะนีวันที่ตรัสรู้ก็วันที่จะปรินิพานนะเป็นธรรมชาติเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีนะตอนท่านใกล้จะสิ้นเนี่ยจะผ่องมากเลยดูแล้วงามงามผ่องมากเลยนะท่านสบายใจแล้วภาระ ก, กํำลังจะหมดแล้วของพวกเราถ้าป่วยหนักผ่องไหมไม่ผ่องหรอกซีดเลยซีดแล้วซีดอโอ้ตัวดีของเราจะตายแล้วนะร่างกายอันแสนรักของเรากําลังใกล้ตายนะ เจ็บหนักแล้วจะตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารากักแล้วสมบัติของเราก็เยอะเลยยังใช้ไม่หมดเลยนะอะไรเงี้ยแต่าบางคนสมบัติไม่หมดก็ยังดีนะบางคนนี่ยังไม่หมดเลยยิ <c oughs> ่งแย่หนักขึ้นอีก <c oughs> เนี่ยรู้ความจริงของกายเข้าไปนะครรู้สึกอย่อยาใจลอยถ้าใจลอยร่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นหรอกถ้าไม่ใจลอยคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆจะเห็นว่าทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกทั้งวันทุกทั้งคืนทุกทั้งตื่นทุกทั้งหลับเลยหลับอยู่ยังพลิกไปพลิกมามันทุกข์ ดูจิตใจบ้างจิตใจเนี่ยจะไม่เที่ยงจะไม่เที่ยงนะกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายจิตเนี่ยดูไม่เที่ยงง่ายจิตใจมีความสุขสังเกตไหมเวลามีความสุขสั้นนิดเดียวพอมีความสุขก็ให้รู que ้นะไม่ใช่มีความสุขก็กรดีก็ะด้าไปกินเหล้าไปเฮฮามีความสุขแล้วไม่รู้เรื่องอะไรลืมเนื้อลืมตัวถ้าเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้นะคอยรู้ไปเรื่อยจิตใจเป็นกุศลก็รู้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 มนุษย์เนี่ยปรารถนาอิสรภาพแต่ทุกคนทุกแห่งมีแต่พันธนาการนะเต็มไปหมดแลยเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงได้ถ้าใจของเราหลุดพ้นออกจากความยึดถือในรูปธรรมนามรทมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรานะเนี่ยวันนี้สอนให้ขนาดนี้ก็พอแล้วนะก็สอนจนหลุดพ้นแล้วจะเอาอะไรอีกก็จบหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาแค่นี้แหละถ้าดังฝังแล้วยังไม่เข้าใจนะ ไปฟังซีดีเขามีแจกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไหมมีแจกก็ไปเอานะไปฟังได้ไปแล้วไปฟังแล้วฟังอีกบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดไปอะไรบางทีไปเจอตามปั๊มน้ํามันตามร้านอาหารเจออะไรเงี้ยนะเจอข้างถนนหนทางเขาเข้ามากราบมาไหว้มาขอบคุณเชีวิตเขาเปลี่ยนนะเขาฟังซีดีเท่านั้นนะแล้วพวกเราถือว่ามีบุญเยอะแล้วละ่ะเจอกัน บางคนเจอหลายครั้งบางคนเจอครั้งเดียววันนี้นะก็ยังดีกว่าไม่เจอเลยนะถือว่ามีบุญร่วมกันแนละ้วที่ได้มาเจอกันนะถ้าไม่มีบุญร่วมกันก็ไม่ได้เจอหรอกนะบางคนอยากเจอแะคขับรถลงไปที่อื่นไม่เจอเนะมื่อมเมื่อมีบุญร่วมกันแล้วนะต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รู้จักว่าหลวงพ่อประโมทตัวจริงนะ่ะเป็นยังไงนะนี่ตัวปลอมนะ หลอกไม่นานก็แตกสลายไปไปฝึกเอาถ้าใครไม่มีซีดีเขาไม่ได้แจกเราทุกวันไปดาวน์โหลดเอานะจากเว็บไซต์วิมนะุติ n e t ก็ตกับธรมะดอทคอชื่อดีนะเว็บไซต์จำง่ายธรรมะด m ทคอคนเขายกให้นะนี่ คนเขายกให้เขาบอกชื่อมันดีจำง่ายใครจะเซิร์ชคำว่าธรรมะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมะดอทคอมนะมีชื่อคล้ายๆกันบ้างไปฝึกเอาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเอาใครจะถามเชิญกราบนะมันสการหลวงพ่อนะค ะ, ะหนูเพิ่งได้ซีดีจากเพื่อนนะคะเขามาให้ก็เริ่มฟังการดูเจตของ หลวงพ่อปาโมดมีคําถามดูจิตก็ดูของตัวเองมาดูจิตหลวงพ่อปาโมดเนี่ยอ๋อม <c oughs> ดูจิตตัวเอง <c oughs> คือพยายามทําให้ได้ทุกวันนะคะแต่มีอารมณ์หนึ่งเวลาเโกรธอดูแล้วก็ยังกโกรธ ด, ดูจิตตัวเองก็ยังกโกรธ <c oughs> อยู่อย่างนี้หนูด no, ูไม่ถูกเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธเนี่ยถูกแล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าเราอยากให้มันหายเนี่ยมันโลภขึ้นมาล้นะหรือมันมีโทสะซ้อนมีโกรธซ้อนโกรธแล้ว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 ถ้าได้หลักก็คือจิตโกรธรู้ว่าโกรธเหมือนที่พระเจ้าสอนดูกราฟที่สุดทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแค่นี้เองเราจะเห็นเลยว่าจิตมันจะโกรธเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะมันโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายของมันเองนะดูอย่างนี้นะอย่าไปแทรกแซงกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมผมมาจากรับนอร์ดแคโรไลนาผมได้มีโอกประมาณห้าร้อ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 ผมก็เอามาปฏิบัติสิ่งที่ผมได้รับนั้นรู้สึกมีความสบายใจแล้วก็เห็นกิเลส ข, ของตนเองมากมเป็นต้นว่าความโกรธนั้นจะมีมากเหลือเกินแล้วก็ความโลภหรือความหลงอันนี้เห็นทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเห็นกิเลสตนเองมากเกินไปทีน่นี้ไม่มีคําว่าเกินไปนะมีแต่เห็นน้อยไป <laughs> ห mm hmm. ลังจากนั้นผมก็ทํามาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานั้นผมมีความมีจิตที่เป็นอกุศล mm hmm. เนื่องจากที่ไม่สํารวมหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการจากจากเพื่อนๆพูดร้อเรียนพระ mm hmm. รู้สึกว่ามีความกรกลัวตบาบกรรมมาก mm hmm. ผม ขอขมาต่ อ, อหลวงพ่ อ, อเมตตาช่วยเหลาห่าโทษให้ผมด้วยครับ อ, อาจริเยะมาเทนะทวารัตะเยนกตังสับ พ, พังอ ป, ปราทังขมาตุโนพันเตหังขมามิทุมเหหีปีเมกะมิตรบังสาธุสาธุสาธุผมจะสำรวมระวังต่อไปให้มากที่สุดท่านมหาไม่พูดดีเนะ <laughs> ผมขอถามว่าผมมีจิตตั้งมั่นหรือเปล่ามีสินะแต่มันมีเป็คนคลาลครับผ ม, มเวลาจิตไหลไปเรารู้ทุกคราวที่รู้ว่าจิตไหลโดยที่ขณะแรกที่รู้ว่าไหลนะขนาดนั้นถูกพดีเป๊เลยนะครับผมแต่หลังจากนั้นมักจะตึงเกินไปกลัวจะไหลเข้าไปบังคับ <laughs> ครับผมแล้วผมอยากรู้ว่าที่ผมว่าผมมีความรู้สึกตัวนั้น อยู่เป็นประจําเรื่อยๆนั้นเป็นความรู้สึกตัวที่ถูกต้องหรือเปล่าครับผมปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมมันไม่เหมือนอ่ะเออถ้าไม่เหมือนก็ใช้ได้ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นและจุกๆที่หน้าอกด้วยนะมันตึงเกินไปถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วผมติดเพลงอยู่หรือเปล่าครับผมนิดหน่อยอย่างมีบ้าง จิตตั้งมั่นในผมมีหรือเปล่าครับผมมีเป็นคราวๆไงเมื่อกี้บอกแล้ววตอนที่รู้ว่าหลงอ่ะตอนนั้นจะตั้งขึ้นมาใหญ่ตอนเนี้ยมันไหลไหมตอนนี้ไม่ไหลครับผมอถ้าไม่ไหลก็ไม่ไหลเพราะบังคับเอาไว้ครับผมอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นมันบังคับโดยแต่ถ้ามันไหลไปแล้วเรารู้นะมันจะตั้งเองอย่างนี้ยพอดีครับผมทีนี้ผมขอการบ้านต่อนะครับไปทําอีกนะแล้วค่อยสังเกตจิตใจไปเรื่อย เราจะไม่ประคองไม่รักษามันนะแล้วก็ดูว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้รู้บ่อยๆถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เลยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมานะจะมีพลังสาธุนรัมสการค์ค่ะหลวงพออ่อตื่นเต้นมากคะ่ะหนูไปเข <c oughs> ้าคอร์สอบรมกับคุณประยันค่ะเออเออชื่อ <c oughs> นะ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 ตึงบ้างความเพ่งบ้างไหลไปแล้วก็คือมันจะเข้าออกเข้าออกตลอดมัเป็นเองมันค่ะเราไม่บังคับที่หนูฝึอยู่ใช้ได้นะหนูเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันะเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันกิเลสกับใจก็โคนละอันเมื่อหนูเห็นถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าขันมันแยกแล้วถ้าขันแยกแล้วเนี่ยต่อไปเราดูเลย สติะระลึกรู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เวทน า, าก็เป็นแค่เวทนาไม่ใช่เรานะรู้กิเลสก็แค่กิเลสไม่ใช่เร า, ารู้อย่างนั้นแหละทำ ถ, ถูกแล้วแล้วก็ได้คุณวิลลี่ได้แนะนําให้มาประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันชัดมากขึ้นนะคะเราอย่าให้ชัดเกินไปนะต้องชัดพอดีค่ะคือมันเหมือนกับแต่ก่อนกับตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าเวลาการสติเนี่ย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 ทำถูกแล้วแล้วก็ขอถวายปฏิบัติแด่หลวงพ่อด้วยค่ะถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะค่ะทุกทําทุกวันค่ะออดีค่ะขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะหนา้าต่อไปไม่ต้องขอเข้ามานะอขอให้รับการเข้ามาของทุกคนไม่ต้องขอหลายคนหรอกว่ามาเป็นเต้นไหมหลวงพ่อตื่นเต้นมากค่ะก็ ฟังซีดีของพ่อมาประมาณ45หปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมืองไทย แ, แต่ว่าเคยไปที่สวนสัตยธรรมก็หลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านเลยนะคะก็จากการฟังซีดีนะคะแล้วก็ปฏิบตัติคิดว่าปฏิบัติจริงๆนะคะเพราะว่าก็เห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รู้สึกว่ามีความทุกข์เยอะมาก หลังจากปฏิบัติตามแล้วก็รู้สึกว่าจากที่เคยหลงทุกนานนะคะก็ทุกซัาลงทุกน้อยลงนะคะแต่ก็ยังยังมีทุกอยู่ก็ก็เห็นจริงๆนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะช่วยทำให้ใครทุกได้ทุกซ่าลงใช่ใช่เนี่ยถ้าเราภาวนามากกนี้นะเราจะรู้เลยว่าโอ้ไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับธรรมะเลยนะอัศจ ร, ริ์จริงๆเลย แปลกสุดยอดเลยธรรมะเนะี่ยใช่ค่ะมันทําให้เราพ้นจากกองทุกข์ได้นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเป็นอิสระที่แท้จริงนะไม่มีอะไรมาย้อมมันได้อีกความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงนะอะไรอะไรก็เข้ามาไม่ถึงมันเป็นอิสระถ้ายังมีสิ่งใดเข้ามาถึงเข้ามาครอบงำได้มันก็ไม่อิสระฝึกไปเรื่อยๆดี ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วน ะ, ะถูกแล้วละนะถูกแล้วแต่ทุกวันทําในรูปแบบนะค่ ะ, ะเวลาทําในรูปแบบนะวันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบวันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมัน่นคือจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะวันไหนจิตตั้งมั่นดีแล้วนะก็แยกธาตุแยกขันธ์ดูมไปเรื่อยๆเป็นการซ้อมการทําในรูปแบบเหมือนกับการซ้อมชก ม, มวยนะการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนี่คือการ เข้าสนามชกมวยจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่ก็โดนนอกถ้าซ้อมไม่ดีนะก็โดนนอกอ่ะต่อไปมีอีกไหมกราพบพระคุณหรหลวงพ่อดีพี่หลวงพ่อนานะที่ได้นมัสการหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่นิวยรอร์กหลวงพ่อได้เมตตาบอกว่าผมทำได้ดีแล้ว แต่ก็ยังมีคล้องใจผมกับแฟนพอถามร่วมกันธรรมะข้อไหนที่ปฏิบัติสำหรับตัวขอให้หลวงพ่อซี้แนะเพื่อการธรรมะธรรมะต้องทำทั้งหมดเลยทั้งหมดนะครับกุศลต้องทำให้ถึงพร้อมบาปทั้งหลายต้องละครับกุศลทำให้ถึงพร้อมต้องทำหมดอนะ ปกติจิตเหมือนอย่างนี้ไหมนี่มันสั่นๆตึงๆตึงๆไปนะเวลาเจอหลวงพ่อนี่มันจะเกินจริงอให้รู้ทันเอาก็ปล่อยมันซะดูมันอย่างที่มันเป็นไม่ดีก็ได้มันปล่อยไม่ได้พูดง่ายมนทำยากเนาะสั่งมันปล่อยมันไม่ปล่อยอะไปทำอีกไป จิตต้องถึงฐานนะถึงฐานแต่ไม่ได้รักษาไว้ถ้าถึงฐานแต่รักษาไว้ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ถึงฐานก็ไม่ใช่ต้องถึงฐานโดยไม่รักษาก็รู้ทันที่ไหลรู้ทันที่ไหลเข้ามาเองแป็นก <onia S 2> ็เหมือนกันแปน ท, ที่ข้างหลังก็เหมือนกันเหมือนกันแหละทำบุญมาด้วยกันนะอย่าไปรักษาจิต ร่อยให้จิตทำงานทั้งสองคนแหละครับผมไม่อยากจะเป็นโรคเครียดเกินไปครับอต่อไปอยากอยากาให้นิ ม, มนต์หลวงพอ่อสิเน่การเดินจำปมไหมมาลูกเอามาเดินเลยเดินทางนี้เลยนะจิตหนีไปคิดก็รู้เอานะ อืใชได้อืมดีไปนั่งได้เวลาเดินจมกลมนะจิตไหลไปคิดเราก็รู้ทันเนาะแต่ดีแล้วล่ะเดินขอบคุณครับกราบนมัสการเจ้าค่ะพอเห็นหลวงพ่อเข้ามาในศาลา จิตลูกว่าแข็งประคองทันทีเลยเจ้าค่ะธรรมดานะใครคใเจอหลวงพ่อก็กลัวเท้านั้นแหะเจ้าค่ะกิเลสมันกลัวหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่ลูกไปกราบน้ำสการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อเมตตาบอกให้ลูกไปดูจิตเป็นอนัตตาลูกก็เห็นอยู่ว่าจิตเป็นอนัตต า, าถู ก, ถกต้องไหมเจ้าคะแล้วเมื่อคราวที่ลูกไปนิวยอร์กลูกไปกลับ หลวงพ่อให้การบ้านให้ไปแก้ประคองโดยการที่ไปม้้งกายลูกยังไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกทำถูกต้องอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะถูกนะขอขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้ว เ, เวลาลูกเห็นจิตประคองเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปขยับไม้ขยับมือหรือว่าไปดูที่อื่นเพื่อเป็นการแก้ถูกไห่เจ้าค่ะไม่ถูก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 คำว่าขันนี่ยแปลว่ากองแปลว่าส่วนสนะ่วนมันเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกว่ารถยนต์มีจริงๆนะพเราถอดรถยนต์ออกเป็นส่วนส่วนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นออกไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์เลย เราถอดรถยนต์ออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยความเป็นรถยนต์ก็หายไปเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์เป็นอีกส่วนหนึง่งเหมือนเป็นอะไรรถยนต์ ห, นหลายๆอย่างนี่แหลนะกุศลอนะกุศลเป็นส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึง่งเราค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคําว่าขันก็คือคําว่าส่วนๆนั่นแหละ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 ยมนึกว่าว่าขันห้าคือบีข้อนหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คำขันข้อหนึ่งข้อสองนะไม่ใช่หรอกขันแต่ว่ากองและส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความคิดปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้นี่นึก้าส่วนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะข้อต่อไปนะคะคือว่าท่านบอกว่า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 ให้กันบ้านแล้วนะค่ะ่งให้คนเด่นไปเดี๋ยวอีกอีกข้อนึงค่ะข้อที่สสงสัยมานานแล้วมีกี่ข้อมีสามข้อข้อสุดท้ายแล้วค่ะเหลืออยู่ขออนุญาตหน่อยเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะกรรมฐานกับภาวนาเนี่ยต่างกันยังไงครับอะไรนะคําว่ากรรมฐานและภาวนาเนี่ยเพราะบางแห่งเราไปเอ้าขอไปนั่งกรรมฐานไปนั่งภาวนาเนี่ยมันต่างกันยังไงครับภาวนาแปลว่าเจริญ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 มอให้ไปคอยดูความรู้สึกของตัวเองโดยไม่เข้าไปแทรกแซงต่อไปนมัสการค่ะอาจารย์คนนี้แต่ก่อนติดเพ่งแรงนะตอนนี้นยังเพ่ ง, หงไหมคะนิดหน่อยค่ะก็ได้คุณวิลลี่ช่วยแนะนำเออยอะเลยค่ะอาจารย์อืมดีวิลลี่ได้ดีวิลลี่ก็ภาวนาดีขึ้นที่แรกหลวก็ห่วงนะว่าวิลลี่ไปยุ่กับคนอื่นเยอะจะภาวนาไหวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออภาวนาได้ก็ดี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 ไม่ถึงค่ะเดือนมกราปีที่แล้วปีนี้ค่ะมกราปีนี้เมื่อมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ไปทำต่อไปยมคุณจะทำยังไงต่อไปทำอย่างที่ทำนี่แหละอ๋อค่ะถ้าทำแล้วมันดีขึ้นเราไปทำอะไรอีกล่ะเดี๋ยวมันแย่ลงขอบคุณมากค่ะอาจารย์นมัสการค่ะหลวงพ่อ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 เสร็จแล้วกลับเมืองไทยก็เพื่อนพาไปก็ก็ไปเอาซีดีตอนแรกก็กะว่าจะไม่เอาแต่ว่าติดมาสองแผ่นแล้วก็มาทดลองฟังก็กะว่าถ้าฟังไม่ดีแล้วก็จะทิ้งไปเลยอปรากฏว่าหนูก็ไปเสียบในรถห่ะแล้วก็ฟังทุกวันทุกวันวันละสินาทีระหว่างขับรถไปทํางานคุณป้าบอกไม่มีเวลาแบบหนูนะฮะหนูก็ไม่มีเวลาค่ะก็ฟังทุกวันวันละสินาทีไปไปสินาทีกับสิบนาทีแล้วก็เป็นคนที่ โ, โหนี่สั่นมากค่ะโทษค่ะ อ, <c oughs> <c oughs> อ่า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 แต่หนูก็มีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะหนูคิดว่าใจมันเหมือนเด็กเหมือนเหมือนเด็กในท้องอะคะ่ะแต่ไม่เคยท้องนะคะแต่ว่า<ม>ถ้าเราเปิดธรรมะให้ใจเราฟังเรื่อยๆะคะ่ะ ม, มันก็ซึมซับไป<ม>ปรากฏว่าผ่านในระยะเวลาสองเดือนเดือนสองเดือนหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ<ม>หนูก็เปลี่ยนเยอะมากก็ซาบซึ้งในธรรมะมแล้วก็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 เนี่ยหลงเนี่ยออกำลังหัวเราะเห็นแล้วก็บางทีเอ่อกำลังทำทำหนูชอบให้ทานนะคะชอบให้ของคนที่ทํางานอะไรเงี้ยบางทีให้แล้วมันมีความสุขหนูเห็นจิตที่มันเป็นกุศลแล้วมันเยิมเออ้มเยิ้มแล้วหนูก็กระชากกลับมาว่าเนี่ยไม่ใช่ละย อ, อ, อย่าไปกระชาก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 พอจเจริญสติก็จริงจังเลยเห็นเป็นเม็ดเมดเลยไม่ไ ม, มันเห็นนะมั น, มนแต่รู้ค่ะว่าตัวเองชอบไปหยิบฉวยมาเอ า, เอามาดูแต่ว่าก็ชอบทิ้งอีกเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าทีดีแผ่นหนึ่งบอกว่าเหมือนกับออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมคะแต่ทําเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเหรอคะถ้ารู้ว่าออกนอกใช้ได้นะแต่เมื่อก่อนหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อภาวนานะเราสติขึ้นมาแรงเลยมองทุกอย่างเป็นเม็ดเม็เป็นจุดจุดจุดไปหมดเลยนะ <Okay. S 2> แล้วก็คิดว่าอย่างเนี้ดีพยายามจะทรงอยู่ตรงเนี้ยเ่้ามันผิดอ mm hmm. ให้รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นแหละไม่ต้อง <Okay. S 2> เจตนาไดูเป็นจนเป็นจุดเล็กๆเลกๆไม่จําเป็น <Okay. S 2> อันนั้นแรงไป okay. แล้วเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นี่หนูก็เ อ, อมันแยกอยู่แล้วโ oh, อ้ค่พราะคือที mm ่แ hmm. เพราะหนูสงสัยตรงนี้ค่ะที่หนูก็ไม่กล้าพูดถามแต่หนู mm hmm. หนูเห็น mm hmm. แต่ว่าก็ไม่พยายามนะคะเพราะว่า หนูไม่คิดว่าจะบรรลุเลยแต่ว่าพอคุณได้พูดชาตินี้อะไรคือทุกคนก็พูดว่าชาตินี้หนูก็มีแอบลึกๆอะค่ะาว่าอยากอยากจะให้มันจบเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะไปทำให้สม่าเสมอเท่านั้นแหละนะ<ฆ>อย่าหวังว่าจะดี<ฆ>แค่เรียนรู้มันไป<ฆ>เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะแบบไม่มีหวังผลนะแล้ว<ฆ>มันจะง่าย หนูก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไม่เคยไปไปฏิบัติธรรมที่ไหน <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนกับไม่มีเรื่ององทิศมานงแกก้นันแล้ววิถีหนูจะต้องไปทํากรรมฐานแล้วจริงๆใจไม่อยากขอกรรมฐานคะเพราะว่าหนูหนูกลัวที่จะต้องบั ง, บงคับตัวเองให้ทำะะํำกรรมฐานนะัคือใจต้องมีเครื่องอยู่จะทําให้ปฏิบัติได้ดี <c oughs> แต่เครื่องอยู่ของแต่ละคนนะไม่เหมือนกัน <c oughs> บางคนอยู่กับกายบางคนอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์บางคนอยู่กับจิต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 หนูนะฮะมันดึงจิตเดี๋ยวเขาจะไปดูกายคืออย่างหนูไม่เคยดูลมหายใจพอฟังซีดีเขาูดูลมหายใจหนูก็จะดูลมพองยุบอะไรนี่หนูเอาหมดเลยค่ะคือไม่ได้ปฏิบัตินะฮะแต่ว่ามันนึกจะดูอะไรขึ้นมาก็ดูเองเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูใจเขาสลับของเขาเองสลับเองไม่เป็นไรถ้าดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราหรอกนะดูจิตก็จิตมันก็ทางานได้เองยังยังไม่ถึงตรงขนาดว่ากายไม่ใช่เราค่ะแต่อย่างเพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่ายิ้มก็รู้เพราะจิตจิตต้งที่หัวเราะ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 หลวงพ่อเนี่ยมีคนที่รอฟังธรรมมาอยู่นะเยอะแยะมากเลยต้องเฉลี่ยกันไปคือพวกเราอยู่ที่นี้ก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรคันะนะคะอย่างหนูเนี่ยดูดูอินเทอร์เน็ตได้ค่ะไม่คือว่าคนคนที่อยู่ที่เนี่ยบางทีก็คือเรากลับเมืองไทยทีนึงเนี่ยเราเราจะหมดกันเยอะมากแต่หลวงพ่อมาองค์หนึ่งเนี่ยช่วยพวกเราประหยัดได้เยอะมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูจะเก็บตังค่าเครื่องบินให้หลวงพ่อค่ะไม่ต้องแล้วหลวงพ่อไม่เคยมาเรียอะไรน <c> ะ <oughs> ก็ขอบพระคุณค่ะอีกคนที่หลวงพ่อต้องสอนเนี่ยนะที่รอธรรมะอยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเนื่ยพวกเราเนี่ยหลวงพ่อมาดูแล้วหลวงพ่อสบายใจเพราะพวกเราภานาะที่หลวงพ่อมาสอนสอนไว้เหมือนมาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นไม้งามต้นไม้ที่นี่งามแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วหลวงพ่อก็ไปดูไอ้ต้นไม้ที่ยังอ่อนแอที่อื่นต่อไป ถ้หลวงพ่อมาเฝ้าอยู่ต้นไม้อยู่แถวนี้แล้วทำสวนอยู่แค่นี้คนจํานวนมากก็เสียประโยชน์ไปก็เฉลี่ยกันไปเนาะทรัพยากรหลวงพ่อนะมีจำกัดสมัยถึงตัวหลวงพ่อมันมีคนเดียวมันแตกหน่อไม่เป็นอะ่ะไม่รู้จะเอาใครไปสอนแทนก็ลเลยต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันกับมาณสการ์ค่ะหลวงพ่ออ่ คือยมไม่แน่ใจว่ายมทําถูกหรือเปล่าพอโยมก็ทําได้ดีขึ้นแล้วล่ะเหรอคะเห็นไหมว่ามันโกรธได้น้อยลงโกรธได้สั้นลงใช่ค่ะพื้นฐานเราขี้โมโหใช่โกรธปั๊บเราไปเห็นแล้วก็หายเราไม่ได้ฝึกว่าไม่ให้โกรธนะใช่จะพอโกรธแล้วเรารู้ทันาความโกร่ก็ดับไปส่วนจะดับหรือไม่ดับเราไม่เกี่ยวนะยคนแรกว่าจะไปดับไม่ต้องดับหรอกเราดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่อยู่ในอานาจบังคับ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 นะอย่างนั้นแหละดีมันผุดขึ้นกลางอก <Okay. S 1> ถ้าไม่ภาวนานะเขาไม่รู้หรอกว่ามันผุดกลางอกนะมันแปลกนะ mm hmm. มันผุดขึ้นมาได้สุขทุกข์ดีช่วงผุดขึ้นมากลางอกเนะี่ยคนโบราณเก่งนะบอกสวรรค์อยู่ในอกนะรกอยู่ในใจ mm hmm. ขึ้นมาตรงนี้เอ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะบมดเลยพีี่หมดแล้วหมหมครับหลวงพ่อครับ โอพอดีเลยล่ะชั่วโมงครึ่งปกติหลวงพ่อก็เทศชั่วโมงครึ่งนะทำไมไม่นานกว่านั้นนานกว่านั้นเนี่ยพวกเรารับไม่ไหวละนะสมองจะล้าเวลาเทศจิจริงหลวงพ่อ ป, ปกติเทศสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเพราะว่าสมองเนี่ยจะสดชื่นที่สุดแค่นั้นแหละยาวกว่านั้นสมองหมดคุณภาพละบางคนอยากให้เทศยาวๆหลายๆชั่วโมงไม่มีประโยชน์อยากฟังหลายๆชั่วโมงไปฟังซีดี สั่งได้แต่หัวข้ามยันเช้ายัางเทคไม่เลิกเลยนะรู้เรื่องหนูพูดใส่ไม่ือหนูเปิดเปิดซีดีแล้วก็มีคนเมาหลับอยู่หลังรถค่ะเขาฟังรู้เรื่องนะคะเขาตื่นมาถามแล้วนิพพานคืออะไรเหรอเธอหนูก็ที่บายไม่ถูกค่ะแต่ว่าเขารู้เรื่องค่ะเขาเขาจิตเขาตื่นขึ้นมาแล้วหนูอพอหนูปิดปุ๊บเนี่ย เขาบอกว่าปิดทำไมอ่ะกำลังมันเลยไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันมีค่ะเนี่ยเป็นชัยชนะของหลวงพ่อนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยคนฟังทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเยอะมากเลยนะเขาขึ้นรถ น, น่าจะฟังซีดีนะตีตลาดเพลงไปเยอะลนะ <c oughs> <c oughs> เพราะเพลงแนละ้วมันเสียตังค์ซื้อนะซีดีหลวงพ่อแจก <c oughs> <c oughs> ใครจิตออกนอกบ้างสารภาพมา หนไหมว่าหนีอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วมาบดไม่ได้นะโอ้ฟังหลวงพ่อมาทั้งสามปีไม่บรรลุ <c oughs> จิตหนีทั้งวันเลยไม่ได้นะอย่าให้หนีนานหนีเล็กๆน้อยๆพองามหลวงพ่อเคยฝึกนะหัดใหม่ๆเนะี่จิตมันชอบไปจับอารมณ์ไปดูมันดูซิจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จิตจะปล่อยอารมณ์ออกมาได้พยายามฝึกว่าสามวินาทีต้องปล่อยให้ได้ นะเผื่อรถคว่ำสามวินาทีถึงจะตายอะไรเงี้ยกะฝึกเรื่อยสติมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นพวกเราหลายคนนะในเมืองไทยนะชอบขับรถเร็วรถคว่ำรถคว่รถหงายเกิอดอุบัติเหตุนะี่ยจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเลยเป็นคนดูนะเห็นรถคว่ำเห็นร่างกายพลิกไปพลิกมาจิตเด่นดวงขึ้นมาเลยนะฝึกแล้วได้ประโยชน์เยอะเลยกระทั่งในทางโลกโลกนะ ไปฝึกกันเข้าพวกเราปเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามนะมีเสียแรงเพาะ อ, อุตสามาลำบากไกลเสียเวลาเยอะเลยเมื่อปีไกลามานะคนภาวนาเป็นมีนิดเดียวปีนี้ดีขึ้นเยอะเล ย, ยตั้งใจนะพวกเราได้ทำทานฟังธรรมอะไรพวกนี้ ตั้งใจปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจอุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลยายยาถาวอริบาฮาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวามีวาอีโตทินังเปตานังอุปะกะปติอิชิตังปทิตังตุมหังขิปเมวาสมิฉตุสเ พ, พปูเรนตุสังก ป, ปา จันโธปนระโสยถามณีชโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังุทาปจายิโนจะตาโรธรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลัง